Book two. 2การเรียนภาษาต่างชาติคุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหนคะ คุณพูดภาษาโปรตุเกสได้ด้วยไหมคะมันลุวิตาอิโปรตุเกลส์ค่ะและดิฉันก็พูดภาษาอิตาเลียนได้ด้วยค่ะอะโนอะอูมิมอิโทรหูอ s k าดิฉันคิดว่าคุณพูดได้ดีมากม y ส l ิมเจมลุวิตาเวลมิดอบเร่ภาษาค่อนข้างคล้ายกันมาก Sou to docela podobné jazyky. Díšan kauzají jazyk m o h u j i m d o b ř e rozumět. Ale mluvit a psát je těžké. Díšan jen psát je t ě ž k á Díšan jen psát je t ě ž k โปรดช่วยแก้ให้ดิฉันด้วยนะคะ p r o s ซิมโอปราวูย์แต่เมื่อการออกเสียงของคุณดีมาก vaše výslovnost je docela dobrá คุณมีสำเนียงนิดหน่อยม้าเต้เล็กกี้พรีคนฟังสามารถรู้ว่าคุณมาจากไหน poznáse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 ตอนนี้ดิฉันจำชื่อไม่ได้ค่ะเ si ด็กไม่าดิฉันนึกชื่อหนังสือไม่ออกค่ะเดไม่นื้้ดิฉันลืมไปแล้วค่ะ